คนนิรลมลรกไม่ได้ชั่ว เ, เตือนใจอนุสติไปตามนั้ถึงว่านี่ น, าน่าจะทำบุญให้สัาบว่าทาบุญเนี่ยเขาห้ามลงนรกเศรษดายไหมเฮ้ยหมดลิขิตนะ่ะไม่ได้สดายนยะมันเป็นสิทธิของเรานะไม่เอาอ่ะโอ้ศลาสิทธิหรือว่าเวลาจะตาย ถ้านึกถึงบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่เล็กน้อยมันลงไม่ได้นะลูกทำบาปมากแสนมากอะไรก็ตามถ้าโชคเสีตายถ้านึกเพิบุญมันลงไม่ได้อยู่แล้วแต่ ว, ว่าถ้าไปเสกิดเชิดดารือปลอมถ้หมดกำลังนั้นลงใหม่เนี่เรื่องหนึ่งนะฮะแต่ ว, ว่านึกถึงความดีอย่างบุญนี่คือความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเขาขึ้นออกไปแล้วปรับไอ้บุญทั้งหมดจะรวมตัว ท, ทันทีมันไม่ใช่ได้แต่เท่านั้นนะทั้งหมดมันรวมตัวเลย หรือถ้ามาอย่างนั้นเวลาตายเผลอไม่นึกถึงความดีคือบุญที่ทําไว้แต่ว่าคนนี้มีความชั่วก็มีแต่มีไม่มากมักแต่ความดีก็ปรากฏมัไม่หนัมกมากเขาก็าไปสํานักพญาโยมก่อนว่าเออไปไล่ท้าไล่เบียย้ยเรื่งความดีนึกอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาได้ถ้าบอกไปรับผลความดีก่อนนึกได้แค่อย่างเดียวถ้าเกิอน อ, อกจากนั้นบุญทุกหมดจะรวมตัวร่วมกัน ไ่คนกำลังยิงกันแล้วตายเนี่ยไปสวรรค์มีม้หมเอาละเอาละปัญญาโทนูวันนี้น้ำพ่อจะสอบชาวปัญญาโทมีไหมแม่หลายศูนย์เลยฮไอกำลังยิงกันเนี่ยมันใช่บาปแต่แต่ไอก่อนที่มันจะยิงอะ วิค้าหนึ่งที่โยนแตกปีที่โยนตายแตกถึงวันนั้นมันยิงกันใหญ่ใช่ไหมคนก็ตายเยอะไอ้เหลือเขาตายกันกี่คนนะมันไม่ต้องให้ใครมาส่งบัญชีหรอกรู้กันได้ไหมวันนั้นก็แถมก็ปเอิญจะไปไหนก็ไมาา่ทราบพอถึงทางสี่แ่งทางแยกสี่ตรงเปน็นตลอดตรงหน้าไปพรลุงนรกซ้ายไปสวรรค์ขวาไปพมล พอถึงตรงนั้นเห็นพวกนั่งอยู่ประมาณสี่สิบคนเศษไม่ใช่พวกที่ตายนะไอพวกที่ไม่ตายที่อยากทำเป็นคนตายเนี่ยไอพวกที่เขได้สมาบาตัตพวกนี้ถามมันนั่งทึถ่ถามมันก็บอกแกมานั่งกันทาไมเนี่ยวันนี้ผู้ยนต์มันตายกันมากอยากจะดูใครรุมมารูกี่คนก็่ถายว่ารู้ยอดหรือยังหรืรู้ครับไอยอดแต่ไม่ต้องไปอ่านที่ไหนเพราะนึกพลักรู้แล้วก็มีคนเขาบอกอยู่แล้ว อปถามเขาบอว่ามันผ่านไปครบไหมที่มันตายไม่ครบด้วยครับผ่านไปไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นของคนตายไอ้การไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซนตมันอาจจะเป็นสัมเวยสีบ้างเกิดเป็นสติฉันบ้างเป็นเปรตบ้างสุรกายบ้างก็งไปลงแดนนรกใช่ไหมอาจจะโยมอะไรจ้ะเออมนาสาไม่ได้ดีเอาไว้รับไป่เป็นไร เออแล้วตัวตัวไม่ให้ ด, ด่าวเขาทีเพราลซื้อมาไม่ปลอมอ่ถามน้ำพึ่งแท้หรือเปล่าไม่พร้อมซื้อเอาทำกับมือเองอ๋อถ้าไปไม่ไหวถ้าไววัดนี่ได้ก็ซื้อสี่ขวไปไม่ไหวถ้าไหวมาตั้งสี่ขวยังรักเออเจ้าที่จ้าชจ้ กล็ ล, ลงความว่าเขารูบใบมานแต่ว่าคนลงไปไม่หมดบอกเอางี่ตีเขาถามว่าทำไมจะเป็นยางนั้นบอกเขาพวกคุณได้ยานได้ได้ใช้ชานก็น่าจะใช้ยานใช้ชานทํมาละเอียดกว่านี้ในเมื่อคุณไม่ใช้แล้วฉันบอกคุณคุณก็ไม่เชื่อเอาไปนอภิญยมกัน ใช้เวลาไม่ถึงซึ่งวินาทีมันก็จะมียากบางไปก็ไปถามท่านอย่างนี้เขาถามท่านว่าวันนี้คนตายมากไอ้คนที่ตายในกํลาลังยิงกันแล้วก็ถูกยิงทําไมคนจะมาน้อย <c oughs> ท่านกระชงความฉลาดพอรู้อะไรรู้ได้ทําไมไม่ไม่รู้อีนิดเดียวเมื่อก่อนนี้เขาจะยิงกัน้กํลาลังยิงกัน ก, กันจิตคนนึกอะไร กรมความยุนใต้เนี่ยเป็นอ น, นามไกลส่วนใหญ่ก็มีนะหนังถือผ้สัตว์หนาะหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่รับถือแต่หนึงถือพ่อแม่ก็ได้เป็นปุณน์ท่านก็เลยบอกว่าก่อนใี้มันจะยิงกันมาโตตายทางที่ขลาดป ล, ลูกพรากก่อนหน่งสือพราอาจจะอาจจ ะ, ะ, ะแม้แต่คนที่ เดียวดียวๆดียดยคนที่จะรับก็อดแต่ที่อ๋อไดได้ไอ้เนื้อหวานไม่ต้พึ่งอยู่นะมดขึ้นเอ้ยโชติมีขึกว่าไปเลยว่าไปเลยอย่ายาดิอ่ะ ชิ้นเดือนชิชิ้นเดือนชิ้นเดือนอะไรเดือนอะไรอ๋อเดือนิงหานแต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยูโย่ชิ้นเดือ น, ออ น, เ, นเอาจะต้องไปแล้วก็ว่าตับไปบอกพระเถะนะอยู่ว่ามังสอนไกลมากไม่เป็นไรจนะไปบอกพระทราบนะจะบอกพระทีหนึ่ง อะไรเราพอเราจบและไปบอกพระอาสสัตอ้ยยายสีโยจะแม่สอนก็ขออยู่ทั้งสิ้นเดือนแต่ถ้าทับปวัตไม่ผิดระเบียบนะเลยวัตสผิระเบียบเขาไรม่มา น, นั่นนะจะจะจะไอ้นี่ถ้าผิดระเบียบจะไม่บอกใครไม่ไม่เลือกไล่ไปไ ป, ไปบอกพระไปบอกใครอยู่บ้างเราไปพาไปหาพระที่รู้ไอ้จ้ะ ไอ้โยุเออยู่จากไหนจ๊ะในจากบ้านไหนอ่ะเพคะอ๋อมาว่าไงนะโอ้ชอบใจเลยมาพบใช่ไหมนี่คุณเลยอ่านหนังสือชอบใจคำสอนต้องเก็บตังไหม ถ้าเขาไม่ชอบล้วก็จะเฉยก่อนในชอบต้องเก็บตังค์ใช่ไ <c oughs> อ, อ๋อก็ดีดี ด, ดีคนที่พอใจในธรรมหมายถึงว่าบุญที่เก่าสั่งสมมาดีแล้วถ้าบุญไม่ดีเก่าไม่มีมากอ่านสืธทรมก็ลำคาญใช่ไหม อ่ะโชคดีนะเออเจนสุดๆอะไรเลยทัานพรมเดี๋ยวก่อนนี่นั่งไปนั่งที่ก่อนต้องรับร้องๆหลาย ๆ, ๆคนเหมือนกันทั้งวันโ<ม>อเคโชคดีมีเกิดคนนะ จัดว่าอะไรลูกฮะเอ อ, อ, อเอ อ, เ อ, อปีชาเขาอยู่น้พ่ออย่างนี้คือชามปารียังเนี่ยใช่ใช่จะถามเองเลยคนยังนึกว่าปีชามป็นปียังนะต่างรถไปเอ้ยไปงา่ายดีได้สะดวกใชนะ่ไหมฮะ เ, เ อ, อ, อาญาติโยมต้องการน้ำมนตเข้ามาทุกคนนะ เข้ามาจะจิตนะเอออ้ใหยืนตัออ้อออองข้างพระไม่เไม่มไปต่อพระนะ่นนะเออจ้ดอ๋ อ, อ, อขอโชคดีมีสุขสมบคนมีความปนาสวังอย่างนะกนั่งที่นะนะ ผาดไม่ครบน้อยไม่ขาด ท่านเลยเอ อ, เ อ, อ, อยั ง, งไม่เข้าภแบนี้เละเออดูดูดูดูดูดูด็ดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดอดูดูดูดูัูดูดูดูดอดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดููดนะูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดาดูดูดูดูดูดูดูดูดู ก็ส่งสามเป็นรุ่นที่สามนะใวันนั้นเขาเก็บๆตัวไกลๆ้็เก็บแเก็บที่ลงเลยครับเก็บก็บส่งให้ใ้ชาวได้รุ่นมาเกลี่ยม้เลยนี่นถ้าไปต้องทำนะครูไอ้คนที่เก็บได้เขาจะด่านะไอ้คนไี่ไม่ได้ก็ได้ไม่ลงที่กรูบ้างไงที่ได้ก็น้อยเกินไปไดก อ่านันติเมื่อ ไ, ไปไล่อยเมื่อไรลูกเช้ายังยังยั ง, ย, งยังแถมพกใช่มัมยอันนี่จะได้ทราบว่าวิชานี้ทำเราไม่ได้เลยนะให้มั่นใจใช่ไมไอ้ น, นี่ท่านปล่อยให้ลงมาได้เนี่ยถ้าได้ทราบไปตามนั้นตามโปรตีพวกเรารวมตัวก็ทำทุกครั้งแหละแต่เราไม่เห็นครั้งนี้ถ้าวิชวันบอกว่าต้องการให้คนรู้ แล้วก็ต้องการทราบว่าเขาทำอะไรไม่มีผลไม่ต้องกลัวเขาตามธรรมดาเขาที่ทำมาถ้าจอย่าปล่อยย้อนกลับเขาตัวถ้าคุณทำกานนี่ถามว่าทำไมปล่อยเข้ามาเห็นเพอา้าวจะได้รู้เช่ไม่งั้นความมั่นใจของคนก็ไม่มีก็กลย์เลยคุณใสคุณคนเหนือคนผีต่างๆโกลัวตอนนี้เราไม่ต้องโกลยละ เป็นตัวเลยใช่ไหมนี่ถ้าย้อนกลับก็อหาเย้าของเจ้าของก็มีความสุขไมความไม่หิวไม่หิวต่อไปไม่หนาวไม่ร้อนฮะ <c oughs> ก็เนี่ยคนพูดเนี่ย ตนทาอยู่ไม่ไกลใกล้เนี่ยยันในประเทศไทยนี่เองไอ้โน้ชื่ออะไรคนได้ไม่ชื่ออะไรฮะเดี๋ยวไอ้พระถ่ายรูปดีกว่าตัวกับคนได้แกสีเออเดี๋ยวเขาจะไม่ว่างอันนี้จะไม่เป็นไรยังไม่ว่า ง, ไ ม, ไ, งไม่ว่า ง, างเจ๊กล้องถ่ายรูปไอ้โน้เดี๋ยวแต่แต่จะปูอ่ะมันไหลายคนเออคุณถ่ายไปที่เนีย ไอ้หนูอันนี้ยตะปูใส่มือมาเดี๋ยวใครเราสงสัยถามเองได้ลูกถ้าเกิดใครใเพื่อนๆมีความมัน่นใจไม่ปไปใครมันหมดนิดแล้วโอ้ไอเราเป็นชิน้นเป็นเป็นถ้าเป็นชิ้นนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มีนิดแล้วเปลา่าถ่ายรูปไอหนูเขาได้ตะปูเช้าเออเป็นรวมๆห้มใส่มือ ห้ใส่เมือใส่จางนเห็นช่ชาติได้คุณถ่ายรูปไอจิตอาไอโนลุกไปลุกให้เขาถ่ายลงปนในคนได้ในไอย่างนั้นพ่อโกหกมันเขาไปถามเองเองขมันายเ็บตังค์ลุกให้ไปถามเก็บตังค์เอามาร้อยบาทร้อยบาทร้อยบาทเล่าความจริงเอาคุณคุณถ่ายดยดี อย่างนี้ดีไม่ง่ายไม่ง่ายเขาหากินสะดวกคนนี้หากินสะดวกมานานแล้วรับจ้างทำเขาจ้างนะคนนี้เขาจ้างฮะแล้อวออกมาที่คุณออกมาแล้วใส่จา น, นแล้วถ่ายอะไรก็ด้ให้เห็นตะปู ช, ชัดๆใช่อ๋ออ๋อไ ม, ไม่เป็นไร ไอ้ใจหายนี่ถ้าอาว่ามันมาจริงๆเสร็จมันนะแต่ว่าถ้ามาจริงๆนี่ไม่เห็นนะมันเล็กมากขยายเต็มที่ทำหมดฤทิดแล้วถ้ามาจริงไม่เห็นเลาวเสียงวืดก็หายไปเลยถ้าอย่างนี้ล้มน่ะเราล้มตัวเดียวเนี่ยล้มล้มแล้วจะเจ็บทันทีมันจะเจ็บเพิ่มขึ้นเลยมันจะขยายตัว เฮ้ hey, ใส่มือดิแบมือใส่มือเลยไม่ <S <s <ans> <S <Hey. S 2> จะเอาแต่ตะปูดิเอาแต่ตะปูแตนจะไปเป็นไปไล่ไม่ได้พันจะเข้าตัวเองเพราะจะเป็หนห้องคำเออหัวใจโทรทีวีตัอคนเลย ใช่อะไรใช้ได้เอ็นูเก็บตังค์ค่ะถ่ายภาพเอาใส่ตุ้งเดลูกเสื้ตุ้ง ไม่เลดนไรผ้าหล่นนี่มนนหมดลิตราพเป็นภาพเต็มหมดลิตรแล้วนะ ไม่แต no ่ปูสนหนิ่งไม่กล้าหยิบจะเป็นตรงคํามาเป็นนานแล้วเขาทำหลายรูปแบบนอกจากนี้เขาเอาของไปส่งให้ของเขามีมีเครื่องทำอีกอันรู้เออใช อันยี้วส่บาทจ้ะโชว์ทีไมไปตูนงนะถ้าล่นก็ค่ายฮอกเทนนะคุจะวิ่งไกลไปตูผพรอมๆเมื่ออ้นี้นะคุณไปท่อท้ายไกลหน่อยตูมันวิ่งคล่องนะ <c oughs> ดีแย่งเงี้นดีความมั่นใจเกิดเป็นความประสงค์เทวดสุวรรณแต่ปกติสัญญาให้ขอท่านไม้ว่าจากวัดออกไปสี่กิโลเมตรทุกทิศทุกทิศใหาา ญ, ญา่าอมมาเอาใจเอ้ยใส่บาตรเอ้ยโบนาศาธตนัะจ้ะ จะเรียนจดชื่อมันเป็นนจะของนะไว้นะเวลาเดี๋ยวเดี๋ยว็ต้องท้ายโมกจะได้บวกถูกถูกเนียมีนาบัตรเลยเดี๋ยวพบทุน เ, เพอเื่อใครแล้วสงสัยท่าไปหายเอง เ, อเห็นเองนี่ถูกฮ ะ, ะ, ะลา เ ข, เ, ขเขาเขาขสงสัยมีขึ้นห่ออาจจะหาหลอกลวงอะไรก็ได้ไมเไยถามตัวจริงได้เพื่ อ, อยืนยันอะไรจ้ะอ่ะอ แต่มันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรแล้วอาจจะเป็นเจ้าที่เทวดาคุมอยู่ก็ได้แต่ผีมันเอาเราแล้วถ้าพวกผีไดวก็ทำมันรอดเราแล้ ว, ลวนางอาจจะจับให้รู้สึกตัวเจ็บเลอใเจ็เบเลยจะเอไม่เป็นไรเออเทวดาท่านท่านอยู่เยอะมีเยอะอย่างนั้นเรามาเรามาเป็นนักบุญท่าก็เตือนไม่เพล่ ไห้ชุดอ่ะให้โน้นได้ชาวมาเพิ่มอยู่เดี๋ยวห้เแาวถ่ายรูปอ่ะจะต้องไปลงอะไรได้ตัวดีที่ทำเป็นเราโชว์เราจะไงผู้แม่เสียเปรียบปะผู้แม่ฮ <c oughs> ะนั่นหละ <c oughs> แล้วกล่าวเต็มที่นะวันนี้วังคารนี้วันนี้ปล่อยวันเส า, าร์วังคารไม่เป็นไรแล้วพงษ์านขึ้นไปแล้วแคเ่เผลอก็ไม่เป็นไรต้องปล่อยลิศนี่ต้องปล่อย เ, เช้าก็ยะดูเลยดูได้อยู่เขาที่เยืยเอกเผลอ แล้วี่จะเจอแที่นี่ก็าตรงยันแ ท, งท่งขึ้นไปหลายวันนานแล้วเนี่ยง่ายเลยโจ้าีมีตกจ่าอ๋อสุธินังวตมีทานังสุธินังวตมีทานังโอทานังพระมัทานัง เ อ, อกเทนมั่งน้ำมันเตามั่งอธิถฐาเนเมียน้ำมันประเทศไทยเราไปทันลงแค่จะขึ้นราคาดีแล้วลงไม่ทันไอ้เจ้าพวกแขกนี่็แปลกหาทางไปขายของแพงเลย เลยก็เลยเป็นเผ่าพันธุ์ที่คนอื่นเขาไม่เมตตาอันตรายนะ่ะนะเฮ้ตัวแช่แช่ก็เลยเลยไม่มีใครเมตตาถี่้าเอินเพียงพร่มไปเขาก็ซ้ำเติมใช่ใช่ใชปกติก็เป็นไงอยู่แล้วอีรั ก, อ, รกอิรันพวกกบพยามค้านอยู่หน่อย พอตีจริงๆแล้วเขาเลยไม่คา้านหาคนห้ามมี ห, มมห้ามอายุเลยตอนนี้พวกขายหุ้ก็ตตางคนต่างขายหุกระังต่อไปไอ้เงินขายน้ำมันได้ทองคำเท่าไรก็หมดขายน้ำมันใหม่ก็หมด <c oughs> ก็เป็นแขกตามเดิม <c oughs> แต่ทั้งนี้ก็ของเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าว่าทุกอย่างเป็นตามกฎของกรรมเนี่ย ไอ้กฎคงกับในหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะพราเจ้าเองยังไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แต่เราหลีกเลี่ยงได้เราก็เก่งกว่าพระเจ้าแต่ไม่ยมถ้าเราหลีกได้เราเก่งกว่าพระเจ้าถ้าเก่งกว่าพระเจ้าเราต้องอยู่เทวทัตแ <c oughs> ม เ, <c oughs> <c oughs> เราไมไปนะยังไงๆเก่งไม่ถึงพระพุทธเจ้ า, จาดีกว่าตามนั้นไปนะเก่งเท่าท่านแะ่ไปเดงขายแค่ท่าน อเก่งกว่าท่านเดินลงเดินบังหน้าเสร็จเลยดีท่านหยุดแค่ในพานเราเลยลงโรกันไปเลยวันเชาวได้อาจจดหมายจากนักโทษฉบับแกอ่านหนังสือนิยรกแกเลยบอกว่า แก okay, เลิกแล้วเขาเขาออกมาใหญ่เขาจะเริยกรรมฐ า, านให้เพื่อนเพื่อนอ่านให้เพื่อนอีกอยู่ในนั้นเลยไปเพื่อตีไปหมดอีไล่หนึ่งในงานมาพัญญาชื่อไปหัวขโมอยอ่านอ่านไปอ่านมาเลยเลิกกินเหล้าไอ <c oughs> <c oughs> ้มีเลยโมโหเก็บตังค์ใหญ่เลยทำไม ไอ้ น, นี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญเก่าครับถ้ากรรมที่เป็นอกุศลเขาบางหน้ามันยังไม่ถอยไปไม่เลิกเป็นไยงไงก็ไม่เลิกพอดีบุญใหม่ก็ก็สร้างไอ้ผลบุญเก่าก็ทรงตัวม่อยู่กรรมที่เป็นอกุศลที่ฝังหน้าอยู่สลายตัวไปไอ้บุญสองอย่างมันดันไปดันมาเกลิกได้ทันที อยจะจะโยนจะกลับเลยเออโชดโชดโชโชโดีมีสุดนี่อยาิโยนนะเจนสุดจะสูงนะจ๊ะในวันที่ปล่อยออกรโทนนูกใหญ่มาถ้าชนใครเราเสร็จเดี๋ยนั่น อ, อ่ะระโถนโตนี่ยันปิดปากยันปิดตู ด, มดเมอดินเด็กนังเรียนเห็นได้กลับโรงเรียนเห็นตั้งที่สลาแล้วก็ เดี๋ยวได้เห็นผิดปกติก็ไปไปตามเรียกพวกมันดูหันไปเรียกพวกกลับมาดูอ้าวหายไปแล้วไอ้าหายได้มันจะไม่ไเรียกกลัอบอนะแต่ว่ดาเขี่ยไปแล้วเ <laughs> <laughs> จ้าเด็กตัวใหญ่พ่ตรงติยันไปติดหน้าห้องไอ้ต่อมาวันหนึ่งเจาเด็กวนหนึ่งเดี๋ยวประจํา แกนอนอยู่ได้กิ่นคาวเลือดเสียวหญิงครางก็เลยทั้งห้องแลห้องใกล้เชียงกัางคนดังกลัวไม่กล้าไปสวมเยี่ยวแตกพีดไย <c oughs> <c oughs> ตอนเช้าแก่บอกครูครูก็ไปบอกฉันแค่ดยดูแล้วมันไม่ใช่ผีหรอกครั ถามจะผีตัวนั้นก็บอกว่าเขาเป็นแม่คนใดคนหนึ่งในจํานวนที่ยิงข่าวเลือดตีเสียงและก็เป็นญาติของบุคคลบางคนในนั้นเน้นมันได้กินข่าวเลือดไม่เท่ากันบางคนได้โตมาไม่สิ้นได้เด็ดเี้วเด็กไดนมีสี่ห้าคนได้ข่าวข่าวชัดเสียงก็ได้ยินก็เลยบอกว่าเอางี้ก็อะไรกันในหลังจะตาเอ็งมาทําไม บอกว่าเด็กก็ต้องมีบุญเขาจะได้กรรมฐานในเด็กที่นี่นะเด็กที่เนี่ยมันคล่องมโนยิทธิทุกคนะเก็ซ่อมกันทุกอาทิตย์นะต้องต้องได้แม่แม่เรียนก็ให้อุทิศส่วนกุศลบอกว่าต้องการบุญจากลูกหลานให้มาเห็นตัวแล้วแกก็ไม่เห็นแก่ไม่ได้ดูพูดก็ไม่ได้ยินก็ต้องลองส่งเราบเลือดถามว่าตายเพราะอะไร พขตกเลือดตายไอเด็กอุที่ส่วนตมไปให้พระลูกอีคืนเจ้าเด็กมันกูอภีก็ว่ากระทา ส, สํามีจิตชามีขับผีไหมเจ้าภาวนากันเลยก็เห็นผีตัวม า, มายืนใกล้ๆกันเนี่ยแล้วมายืนใกล้ๆเลยว่าเท่าไรผีตัวนั้นไม่ไมหนีเลยว่ากระทาอะไรก็ไม่หนี แกเห็นท่าทุานไปไหว้แกขึ้นไปเดาดึงไปหาท่านพี่สักขาไปถึงก็าวกล่าวท่านพี่ครับมีผีตัวอยู่หน้าห้องผมผมขับอะไรไม่ไปเฮียสาขาบอกผีตัวนั้นคือฉันเองแกฉันเห็นพว ก, กเธอกลัวแล้วมาเป็นเพื่อนขับมึงขับไปรูบุกคลองดิวไอผีตัวนั้นคือฉันเองแก พ, พี่เองนี่แหละไปหาตัวผีก็ดี คออถ้าหกเซนเห็นทําไงวะหองพ่อรล้ว่าเรื่องขันงี้ยังงยฮะไปหาดูขันก่อนขันนี่จนผีหนีไปเลยอะ่ะอ๋อก็อ หยุดเลยนั่นแหะฮะเฮ้ยวันแม่เนี่ยแม่มันก็จะหยุดอืมวันนี้วันแม่แม่ก็จะมีงานดียว่า พี่น้องพ่อเอ ง, เ, องเข้านึถึงพี่ชามันปริยังพี่ถามเองจะไปยังไงเนะนี่ยนึกถึงปี่ชามันก็ไดวิชาอย่างอยู่เอ๊นี่ก็ปล่อยเป็นลกใหม่แล้วลองแจ๊กแจ๊กอะแต่ตัวมันเล็ก <c oughs> บาปเหมือนกันแต่ไม่พออิ่มนะ